กีดกันอกุศลด้วยความละอายพระพุทธภาษิตฮิรินิเซโทปุริโซโกโจิโรกัสมิวิชติโยนิ ด, ดังอปะโพเทติอาโซพัตรกะซามิวะอาโซยทธาพัตรกะานิวิทโยาอาตาพิโนสัางเวคิโนพวาทะสาทายซี่เลนจะจักรวิรเยนจะจัสมาธินาธรรมวินิชเยนจะจั ส้ำปันนัวิชาจจรนาปฏิสตาปะหัสธะดุขมดังอนัปปังแปลความว่าบุคคลผู้ห้ามอ ก, กุศลกิจที่เกิดขึ้นด้วยหิริมีน้อยคนในโลกผู้ได้บรรเทาความหลับด้วยการตื่นอยู่เป็นนิดเหมือนม้าดีสะดุ้งหรือแส้ผู้นั้นหาได้ยากม้าดีถูกขวดูดหรือแส้แล้วย่อมระลึกถึงตนฉันใดขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเพียร มีความสังเวชฉันนั้นท่านทั้งหลายจงประกอบด้วยศรัทธาศีลความเพียรสมาธิธรรมวินิจฉัยจงเป็นผู้สมบูรณ์ผู้วิชาและจรณะมีสติมั่นคงเมื่อเป็นอย่างนี้จักละทุกอันมีประมาณไม่น้อยนี้เสียได้อธิบายความจะพรนนาโดยลำดับอกุศลวิตกนั้นคือความตริตรึกนึกคิดในทางอากุศลกล่าวคือทางไม่ดีในทางอันก่อให้เกิดบาป ในบาลีนิเทศท่านหมายถึงตรึกในทางกามหนึ่งทางพยาบาทหนึ่งทางเบียดเบียนหนึ่งเรียกเป็นศัพท์ว่ากราม ว, วิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกคําว่าวิตกในภาษาชาวบ้านทั่วไปหมายถึงกังวลแต่ในภาษ า, ษาธรรมะท่านหมายเอาความนึกคิดโดยปกติความนึกคิดของสามัญชนมักตกไปในกรรมคือความใครหรือสิ่งที่นักไครกล่าวโดยเฉพาะคือจิตมกักคํานึงเพศตรงกันข้าม คำนึงถึงความรักและสิ่งที่รักเราจะสังเกตเห็นว่าคนทั่วไปโดยเฉพาะในวัยหนุ่งสาวมักพอใจคุยกันในเรื่องเพศตรงข้ามได้เป็นเวลานานๆและบ่อยๆเป็นที่ถูกใจของคู่สนทนาทั้งนี้เพราะจิตไปเกี่ยวกเกาะเหนี่ยวรั้งอยู่กับเรื่องเพศตรงข้ามความรักและที่รักจิตเหลียวแลอารมณ์นั้นอยู่เนืองๆการสนทนาถึงเรื่องนี้เป็นการระบายอารมณ์ที่ถูกกดทับเอาไว้ให้มีโอกาสไหลออกไปจากความสำนึกที่คั่งค้างหมักหมมอยู่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 กำจัดกันอยู่ในตัวที่ใดมีความรักที่นั่นย่อมไม่มีความโกรธความรักกับความโกรธจะเกิดพร้อมกันไม่ได้เมื่อกิเลสสายใดเกิดขึ้นมันย่อมเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ไม่เคยเลยที่เครื่งหนึ่งของจิตเป็นความรักอีกครึ่งหนึ่งเป็นความโกรธหรือเกลียดจริงอยู่ในบุคคลคนเดียวกันบางคราวเราอาจรักอย่าง ด, ดุเดื่มบางคราวเราโกรธอย่างมากแต่ต้องเกิดขึ้นในพร้อมกันต้องเกิดคนลนักษณะ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 ทางนี้เพราะคนส่วนมากมากปล่อยจิตไปตามปรารถนาอันหนึ่งบุคคลที่บรรเทาความหลับด้วยการตื่นอยู่หนึ่งนิดก็หาได้ยากเพราะคนส่วนมากพอใจในความหลับหาความสุขจากการเอนการนอนความหลับนั้นมีสองอย่างคือหลับอย่างธรรมดาหลับเพราะกิเลสที่ทั้งเรียกว่ากิเลสนิทราความหลับอย่างธรรมดานั้นเพราะร่างกายต้องการพักผ่อนให้อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย ได้มีโอกาสซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไปในการใช้งานเราจะสังเกตว่าเมื่อร่างกายเหนื่อยอ่อนเพลีย prayer, ถ้าได้นอนหลับไปสักีบหนึ่งเพียงห้าถึงสิบนาทีเมื่อถึงขึ้นจะรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปล่าทั้งนี้เพราะร่างกายได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไปแล้วตามสมควรถ้าเหนื่อยมากก็ต้องพักผ่อนนานบางคนตรากรรมมาหกเจ็ดวันจึงต้องพักผ่อนจริงๆวันหนึ่งหรือสองวันจึงจะมีกําลังขึ้นได้อีกอย่างไรก็ตาม คนที่นอนเพราะความกียดคร้างก็มีเหมือนกันส่วนความหลับเพราะกิเลสนั้นคือความหลงยึดสิ่งต่างๆว่าเป็นจริงเป็นจังความสุขบ้างทุกบ้างก็าตามมาเพราะความยึดถือนั้นเหมือนอย่างว่าคนนอนหลับฝันไปว่าคนที่รักตายมีความโศกเศร้าเสียใจหรือฝันว่าได้พบคนที่รักแล้วมีความชื่นชมยินดีแต่เมื่อตื่นขึ้นแล้วความโศกเศร้าเสียใจก็าตามความชื่นชมยินดีก็าตามย่อมหายไปเพราะได้รู้ยิงเห็นแจ้งเสแล้วว่า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 ความหลงดีใจเสียใจในเหตุการณ์ต่างๆย่อมพลันหายไปมีแต่สติและญาณอันบริสุทธิ์เท่านั้นบุคคลผู้บรรเทาความหลับด้วยความตื่นอยู่ดังกล่าวมาพระศาสดาทรงยกย่องว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากทรงเปรียบบุคคลอย่างนี้ด้วยมาดีที่ถูกนายสารถีหัวดได้แสแล้วแม้เพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งก็คำนึงถึงตนตั้งใจทำดีเพื่อมิให้ถูกทำโทษอีกมาดี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 จากพน า, นาคุณนสมบัติแต่ลับประการแต่โดยย่อหนึ่งศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งอันมีเหตุผลพอเชื่อได้ไม่เป็นความเชื่อที่งมงายกล่าวโดยสรุปคือหนึ่งกรรมสัทธาเชื่อความมีอยู่จริงแห่งกรรมดีกรรมชั่วคือไม่ปฏิเสธว่ากรรมดีไม่มีกรรมชั่วไม่มีสองวิปากศรัทธาเชื่อในผลของกรรมว่ากรรมย่อมมีผล กรรมดีให้ผลดีกรรมชั่วให้ผลชั่วกรรมไม่ดีไม่ชั่วให้ผลไม่ดีไม่ชั่วสกรรมมัสสกตาสาัทธาเชื่อความที่กรรมเป็นของเฉพาะบุคคลคือแต่ละคนเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเองใครประกอบกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วพอตามกรรมย่อมตกถึงบุคคลนั้นกรรมย่อมให้ผลไม่ผิดคนสีถาคตโพธิสัทธา เชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าทรงรู้จริงเห็นจริงทรงเป็นผู้ตรัสรู้จริงตรัสอย่างใดสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นจริงมีความมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้มีความเชื่ออย่างนี้เรียกว่ามีศรัทธาที่ถูกต้องเชื่อในสิ่งควรเชื่อส่วนความเชื่อง่ายและเชื่องม ง, งายนั้นพระาศาสดาทรงสอนให้ละเว้นเพราะเป็นโทษแก่ผู้เชื่อเป็นทางให้ถูกหลอกได้ง่าย สศีลคือการเว้นสิ่งที่ควรเว้นเช่นการเว้นจากการบีดเบียนตนและผู้อื่นเช่นเว้นจากการฆ่าและการทำตนให้เดือดร้อนเช่นการติดยาเสพติด 3. ความเพียรคือความกล้าในการทำความดีละเว้นความชั่วความพยายามชอบความขยันในการงานและความบากบั่นเพื่อบรุคุณธรรมให้สูงขึ้นไปท่านแสดงความเพียรไว้4ประการหนึ่ง สังวรประทานความเพียรระวังความชั่วไม่ให้เกิดขึ้น 2. ประหานประธานความเพียรละความชั่วที่เกิดแล้ว 3. ภาวนาประทานความเพียรให้ความดีเกิดขึ้น 4. อนุรักษณาประทานความเพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมและให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป4 ส, สมาธิคือความสงบของใจเป็นชั้นๆ เรียกว่ายานบ้างสมาบัติบ้างมีแปดขั้นใจจะสงบ ป, ประนีขึ้นไปโดยลําดับสมาธิมีความจําเป็นมากในการงานทุกอย่างไม่เพียงแต่การปฏิบัติธรรมเพื่อละกิเลสเท่านั้นการศึกษาเล่าเรียนและการทํางานต้องอาศัยสมาธิทั้งนั้นพอใจวอกแวกการเรียนก็ไม่จําไม่เข้าใจการงานก็ดําเนินไปอย่างกระท่อนกระแท่นไม่เรียบร้อยการเขียนหนังสือยิ่งต้องใช้สมาธิมากพอใจวอกแวกก็เริ่มเขียนผิดทันที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 ถ้าสมาธิชนิดนี้ไม่เกิดเขาย่อมไม่เพลินในงานสมาธินี้จะบรรเทาและขับไล่ความฟุ้งซ่านความเหลยวแลของจิตไปทางโน้นทางนี้ให้หมดไปใจะจะจดจ่ออยู่เฉพาะสิ่งที่กําลังทําหรือคําที่กําลังพูด 2. อ, อุปจารสมาธิคือสมาธิที่เฉียดชานถ้าเปรียบชานด้วยปลาอุปจารสมาธินี้คืออาการที่จับปลาแล้วหลุดจับแล้วหลุด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 ความกิจคร้านอาจแทกเข้ามาได้การทำสม่ำเสมอทำติดต่อที่พระ เ, เจ้าทรงเรียกว่าสตตังภิคุสมาฮิโตนั้นมีแต่จะทำให้สมาธิเพิ่มพูนมั่นคงขึ้นการออกจากสมาธินั้นเปรียบเหมือนการพักผ่อนของคนทำงานเป็นต้นว่าอ่านหนังสือหรือเขียนหนังสือสการปฏิบัติสมาธินั้นเป็นกรรมดีอย่างหนึ่งกฎธรรมดาแห่งกรรมดีมีอยู่ข้อหนึ่งว่า ผู้ประกอบกรรมดีย่อมมีความรู้สึกปลื้มใจพอใจในตัวของเขาเองความปลื้มใจนั่นแหละชวนให้ผู้นั้นทำกรรมดีต่อไปอีกเพราะฉะนั้นผู้ประกอบกรรมดีในทางใดอยู่เนืองนิดย่อมไม่เสื่อมจากทางเดิมของเขาในทางนั้นด้วยประการะะนันี้แม้พระโยคาวจรจะออกจากสมาธิเป็นการชั่วคราวสมาธิของท่านก็หาเสื่อมไม่จนกว่าจะถูกจิตย่ำยีด้วยอารมณ์อันเป็นข้าศึกกับฌานหรือสมาธินั้นเช่นความกำหนับในการเป็นต้น ฌานหรือสมาธิที่ได้เพราะดําเนินทางสายสมถภาวนาท่านเรียกว่าอารัมมณูปนิฌานส่วนที่ได้เพราะดําเนินตามสายวิปัสนาท่านเรียกว่าลัคนูปนิฌานหธรรมวินิจฉัยหรืออีกในหนึ่งคือธรรมวิจัยหมายถึงการตรองธรรมเหมือนการกรองข่าวของทางราชการนี่ก็คือการวินิจฉัยทำว่าทําใดเป็นไปเพื่อสังสมกิเลสทําใด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 ในที่นี้ท่านหมายอาวิชาสามหรือวิชาแปดของงดกล่าวถึงรายละเอียดในที่นี้เจดจารณะตามตัวอักษรแปลว่าความประพฤติหมายถึงความประพฤติชอบท่านระบุจาระณะไว้สิบห้ามีศีลสังวรความสำรวมในศีลเป็นต้นมีจตุทชาญเป็นปริโยสารของงดกล่าวรายละเอียดในที่นี้พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะนี้เป็นผู้ประเสริฐที่สุดทั้งในหมู่เทวดาและมนุษย์สมดังพระพุทธภาษิตว่าคาติโยเซโทชเนตสมิงโยโคตปฏิซาริโนวิชาจรณะซัมปันโนโซเซโทเดวมานุเซในหมู่คนที่ยังรังเกียจกันด้วยโคตรหรือชาติวันนะกษัตริย์นับว่าประเสริฐสุดแต่ผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะ เสสร์ที่สุดในหมู่เทวาและมนุษย์8ความมีสติมั่นคงกล่าวในทางปฏิบัติหมายถึงความเป็นผู้อยู่ด้วยสติไม่เพลิสติจนอาการนั้นอยู่ตัวกระแสะกิเลสไม่อาจรั่วไหลเข้าสู่จิตได้กระแสธันหาต้องไหลกลับเมื่อมาพบกับเครื่องกั้นคือสติเข้าสมดังที่ตรัสว่ากระแสตันหาในโลกนี้ย่อมถูกกั้นด้วยธรรมนบคือสติพระอรหันต์นั้นได้นามว่าสติสัมปันโน ผู้สมบูร์ด้วยสติมีสติมั่นคงไม่แปรผันบุคคลผู้ประกอบพร้อมด้วยคุณธรรมทั้ง8ประการดังกล่าวมาย่อมได้รับอนิสงค์คือการละทุกข์อันมีประมาณไม่น้อยเสียได้เรื่องนี้ทรงแสดงที่เชตวันารามเมืองสาวัตถีทรงปราลบ พ, พระปิโลติกะเทระมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้เรื่องพระปิโลติกะเทระวันหนึ่ง พระอนุนเห็นเด็กคนหนึ่งนุ่งผ้าเก่าขาดถือภาชนะกระเบื้องเที่ยวขอทานอยู่จึงชักชวนว่าเที่ยวขออยู่อย่างนี้บวชเสียงไม่ดีกว่าหรือใครเล่าจักให้เข้าพปจ่าบวชเด็กน้อยถามถ้าเธอสมัครจใจจะบวชฉันจะบวชให้เองเด็กน้อยรับคำกับพระเถระว่าจะบวชพระเถระจึงพาไปยังวิหารให้อาบน้ําด้วยมือของตนเองให้กรรมฐานแล้วให้บวชพระอนุน ที่ผ้าเก่าของเด็กออกดูไม่เห็นว่าพอจะใช้การอะไรได้จึงเอาพาดไว้ที่กิ่งไม้กิ่งหนึ่งกระเบื้องสำหรับขอทานก็วางไว้ใกล้ๆนั้นต่อมาสามเณี น, นั้นได้อุปสมบทเป็นภิกษุได้อาศัยลาบสการะที่เกิดขึ้นแก่าศาสนาเลี้ยงตนอยู่ร่างกายอ้วนท้วนสดใสขึ้นนุ่งผ้าจีวรอย่างดีและพร้อมๆกันนั้นก็มีความกระสานคล่ศึกป่ารว่าอย่าเลยด้วยจีวรที่ทายกถวายด้วยศรัทธา จะนุ่งผ้าท่อนเก่าของเราเที่ยวไปดังนี้แล้วไปสู่ที่ที่แขวนผ้าเก่าไว้เห็นผ้าท่อนเก่าของตนแล้วสลดใจให้อวาาตนว่าเจ้าผู้มีมียางอายเจ้าต้องการทิ้งผ้าเนื้อดีราคาแพงนี้แล้วไปนุ่งผ้าท่อนเก่าขานันนั่นอีกหรือต้องการละทิ้งโภชนะอันประนีตแล้วเที่ยวขอทานอีกหรือเมื่อให้อวาาตอนอยู่อย่างนี้จิตก็พ่องใสขึ้นเก็บผ้าชิ้นเก่าไว้ที่เดิมแล้วกลับไปยังวิหารคือที่อยู่ อีกสองสามวันต่อมากระสันขึ้นอีกไปทำอย่างเดิมเมื่อจิตสงบผ่องใสก็กลับพิสูจน์ทั้งหลายเห็นเธอไปไปมามาอยู่แถวนั้นบ่อยจึงถามว่าผู้มีอายุท่านไปไหนทางนี้บ่อยผมไปสำนักของอาจารย์เธอตอบเธอทำอยู่อย่างนี้ไม่นานนักได้บรรลุอรหัตผลวันหนึ่งภิกูจนทั้งหลายถามท่านว่าตอนนี้ไม่เห็นเดินทางนี้ไม่ไปสำนักอาจารย์แล้วหรือ เมื่อยังมีความเกี่ยวข้องกับอาจารย์อยู่ผมไปแต่บัด น, นี้ความเกี่ยวข้องกับอาจารย์นั้นไม่มีแล้วผมตัดขาดแล้วจึงไม่ไปภิกษุหลายรูปฟังแล้วเข้าใจว่าท่านรูปนั้นพูดอวดอุตริมนุสธรรมพยากรอรหัตผลจึงกราบทูลพระทศพลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกแล้วภิกษุทั้งหลายปิโลติกะบุตรของเราไปสํานักอาจารย์เมื่อยังมีความเกี่ยวข้องอยู่แต่บัด น, นี้ความเกี่ยวข้องนั้น เธอได้ตัดขาดแล้วเธอห้ามตนด้วยตนเองโอวาตนด้วยตนเองบัดนี้บรรลุอรหัตแล้วพระศาสดาตรัสต่อไปว่าบุคคลผู้ห้ามอากุศลวิตกด้วยฮิริมีน้อยคนในโลกเป็นอาทิมีนยะดังพนานามาแล้วแต่ตน